ตอนที่128หยวนเศร้าเหฮงมาหานางแล้วมหาวิทยาลัยการแพทย์หลังจากหลีหวันกลับมาที่โรงเรียนก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทุกการเคลื่อนไหวของนางล้วนถูกจับตา ม, มองไม่ใช่ว่าอธิบดีมีการจัด ก, การอะไรเป็นพิเศษแต่เป็นเพราะหลังจากเรื่องคราวที่แล้วทั้งมหาวิทยาลัยต่างก็รู้ว่าพ่อของนางเป็นรองผู้บัญชาการกองพนน้อยในเขตทหารและแม้แต่อธิบดีก็ยังสามารถไล่ออกได้โดยตรงความเก่งกาดนั้นจินตนาการได้ไม่ยาก หลิวันทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ต่อสายตาที่มองมารอบตัวนางเพียงแต่เสียดายที่คิดว่าช่วงเวลาไม่กี่ปีในมหาวิทยาลัยจะผ่านไปอย่างเรียบง่ายทว่าสุดท้ายแล้วมันคงเป็นไปไม่ได้การผ่าตัดของเวิรนโม่ผ่านพ้นไปได้ดีครึ่งเดือนต่อมาเมื่อได้พบเขาอีกครั้งก็พบว่าเขาฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีแล้วลิวันไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเขานักเวิรนโม่มีท่าทีอึกอักเหมือนมีอะไรจะพูดลิวันเห็นเขาออึ้งอยู่นานก็อดค้ำไม่ได้เป็นอะไรไปผ่าตัดเสร็จแล้วกระทบไปถึงเส้นปปรรระสาาาทที่่กหือยอยงไ ถึงได้พูดไม่ออกเช่นนี้เปล่าครับการผ่าตัดครั้งนี้ประสบความสำเร็จมากผมแค่ไม่รู้ว่าจะบอกคุณยังไงเว่รนโมขมวดคิ้วคุณปู่กับพ่อของผมรู้เรื่องที่คุณช่วยตรวจอาการให้ผมแล้วพวกเขาเลยอยากเชิญคุณไปกินข้าวที่บ้านถ้าคุณไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปบอกพวกเขาเองไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรล ห, หวันยกยิ้มขึ้นเล็กน้อยเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ไม่คุ้มที่จะให้พวกคุณเลี้ยงข้าวหรอกช่างมันเถอะแค่รับรู้ถึงน้าใจก็พอแล้ว ก็ได้เหวินโม่แสดงความผิดหวังออกมาอย่างเห็นได้ชัดจริงๆเขาคิดไว้แล้วว่าหลี่หวันจะตอบแบบนี้แต่พอได้ยินจากปากนางเองในใจก็ยังรู้สึกไม่ค่อยดีนักหลี่หวันเตรียมจะเดินจากไปเหวินโม่ก็ขวางไว้อีกครั้งเรื่องคราวที่แล้วผมยังไม่มีโอกาสได้บอกคุณเลยผมกับหยางจิงไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันผมไม่รู้ว่านางจะรังแกคุณถ้าผมรู้ผมไม่มีทางให้นางทําแบบนั้นแน่อ่นข้ารู้ว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้า หลี่หวันจะไม่ปรักปรำใครเหวินโม่ก็น่าจะไม่รู้ว่าอย่างจริงชอบเขาเรื่องรักใคร่ของคนหนุ่มสาวหลี่หวันไม่สนใจสิ่งที่นางสนใจที่สุดคือการแพทย์แผนจีนปฏิกิริยาของหลี่หวันตอนพูดทําให้เหวินโม่รู้สึกอึดอัดเช่นกันนางดูเหมือนจะไม่ใส่ใจเลยสักนิดเหวินโม่ยังคิดว่าตัวเองจะเป็นคนพิเศษสําหรับนางเสียอีกนึกไม่ถึงเลยว่าเสียหวันที่ชายของเจ้ามารออยู่ที่หน้าหอพักแน่ ขณะที่หลีหวานกำลังจะหันหลังเดินจากไปก็ได้ยินเพื่อนร่วมห้องตะโกนบอกสิ่งแรกที่นางนึกถึงคือเจ้งเซร้าซิงกับเจ้งเจ า, างเศ้ายางเพราะทั้งสองคนนี้ก็เรียกนางว่าน้องสาวเวลายอยู่ที่บ้านเช่นกันได้รู้แล้วตอนที่หลีหวานเดินไปนางไม่ได้สนใจเหยวนโมเขาเองก็รู้สึกว่ายังมีคำพูดที่ยังพูดไม่จบจึงเดินตามไปเมื่อมองเห็นร่างของหยวนเร้าเหิงจากระยะไกลหลีหวานก็รู้สึกดีใจพี่ หยวนเศร้าเฮิงหันมามองนางไม่ได้เจอการทั้งปิดเทมอมฤดูร้อนเด็กสาวตัวสูงขึ้นไม่น้อยแถมยิงสวยขึ้นกว่าเดิมมากตอนที่หลีหวันเพิ่มมาถึงในเมืองผิวนางค่อนข้างดำและผอมแห้งดูขาดสารอาหารอย่างชัดเจนแต่ตอนนี้ถูกเลี้ยงดูจนผิวพันขาวเนียนเครื่องหน้าดูสดใสและงดงามยิ่งขึ้นเรียกได้ว่ารวบรวมข้อดีของโจจี้นเยียและหลีชิงถิงไว้ด้วยกันหยวนเศร้าเฮิงยกยิ้มบางๆที่ได้ยินเพื่อนร่วมชั้นของเจ้าบอกว่าเวลานี้น่าจะเลิกเรียนแล้วทำไมถึงเพิ่งกลับมาละ่ะกินข้าวหรือยัง ท้ายิางพี่สภาเจ้าออกไปกินข้างนอกดีเลยวันนี้มื้อเที่ยงค่าไม่อยากกินอาหารที่โรงอาหารพอดีหลีหวันยิ้มวันนี้ทำไมพี่ถึงมาหาข้าได้ละ่ะข้าได้ยินพ่อบอกว่าพี่สอบเข้าวิทยาลัยบริหารธุรกิจระยะทางจากที่นั่นมาที่นี่ไม่ใกล้เลยนะพอดีช่วงสองวันนี้พี่ว่างเลยคิดว่าจะมาหาเจ้าพรุ่งนี้ตั้งใจว่าจะกลับไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าด้วยหยวนเซาเฮิงพูดเสียงเบาที่ไม่ได้กลับไปนานขนาดนี้เพราะมีหลายเรื่องที่ยังจัดการไม่เรียบร้อยตอนนี้ไม่มีอะไรแล้ว สถานการณ์ของตระกูลหยวนนั้นซับซ้อนกว่าที่พวกเขาคิดไว้มากหลีหวานเข้าใจดีคุณปู่คุณย่าบ่นถึงที่อยู่บ่อยๆพี่ควรกลับไปเยี่ยมนานแล้วอืมจริงๆในใจของหยวนเศร้าเหิงก็คิดถึงพวกเขาอยู่ตลอดเสี่ยวหวานนี่พี่ชายเจ้าหรือเหยวน่อตามาทันและทักทายหยวนเศร้าเหิงตามมารยาทสวัสดีครับพี่ชายเสี่ยวหวานผมเป็นเพื่อนร่วมชั้นของนางครับหลีหวาน รอยยิ้มที่มุมปากของหยวนเซ้าเหิงชงักไปเมื่อเห็นเหวนโมในฐานะผู้ชายด้วยกันเขาย่อมเข้าใจผู้ชายดีหยวนเซ้าเหิงมองออกว่าเห ว, วนโมชอบหลี่หวานเมื่อต่อหนักได้เช่นนั้นแววตาของหยวนเซ้าเหิงก็มืดคลึ้มลงพี่ข้าอยากกินหม้อไฟร้านแถวๆโรงเรียนที่พกเงินมาพอไหมให้ผมเลี้ยงพวกคุณเถอะผมมีเงินเหวนโมพูดขึ้นทันทีโดยไม่รอให้หยวนเซ้าเหิงตอบ ไม่เป็นไรหรอกสองพี่น้องเราจะกล้าให้เจ้าเลี้ยงได้อย่างไรถ้าพี่ชายข้าไม่มีเงินข้าก็มีเงินลหวานปฏิเสธอย่างสุภาพเหวนโม่เจ้าไม่ต้องขอบคุณข้าจริงๆรหรอกวันนั้นถ้าศาสตราจารย์สั่งให้เพื่อนคนอื่นขึ้นไปบนเวทีข้าก็คงช่วยตรวจให้พวกเขาเหมือนกันมันเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆถ้าเจ้าอยากขอบคุณคนที่เจ้าควรขอบคุณที่สุดคือหมอที่ผ่าตัดให้เจ้าพูดจบลีหวานก็ดึงแขนเหยวนเซาห์เหิงเดินจับไปสองพี่น้องคุยเล่นกันอย่างสนุกสนานเวนโม่ยืนอึ้งอยู่ที่เดิมมองตามพวกเขาไป คนเมื่อกี้หยวนเศร้าเหิงพูดค้างไว้ครึ่งหนึ่งเขาลังเลเล็กน้อยเขาหรือเป็นคนซื่อซื่อนะคะแค่ช่วยเรื่องเล็กน้อยนิดเดียวเขาก็ตามตื้อจะขอบคุณให้ได้หลี่หวันพูดอย่างไม่ใส่ใจวันนี้เขา ย, ยังจะเลี้ยงข้าวค่าอีกค่าเลยไม่ตกลงที่ไม่ต้องพูดถึงเขาแล้วอยู่ที่โรงเรียนเป็นอย่างไรบ้างปรับตัวได้หรือยังเข้า ว, ว่าพี่เหมาะกับคณะการเงินนะพี่ดูเหมือนเท่าก่ใหญ่เลยไม่แน่ว่าในอนาคตอาจจะได้สืบทอดธุรกิจของตระกูลหยวนก็ได้เจ้า อ, อยากให้พี่สืบทอดธุรกิจของตระกูลหยวนหรือ หยวนเศร้าเฮงถามขึ้นมาอย่างไม่มีปีไม่มีขลุยหลีหวานชะงักไปที่ว่าอยากหรือไม่อยากหมายความว่าอย่างไรข้าต้องอยากอยู่แล้วอีกอย่างข้าคิดว่าพี่มีความสามารถดีพี่จะรับช่วงต่อตระกูลหยวนให้ได้อย่างราบรื่นแน่นอนหยวนเศร้าเฮงพูดต่อวันหน้าถ้าหาเงินได้มากๆจะเลี้ยงข้าเจ้าและซื้อเสื้อผ้าสวยๆให้เจ้าเยอะๆเลยดีเลยแต่ก็น่าอีกไม่กี่ปีหรอกพอพี่มีแฟนในมหาวิทยาลัยแล้ว ถ้าพี่ยังดีกับน้องสาวตัวเองขนาดนี้พี่สะพายในอนาคตของข้าต้องหึงแน่ๆหลีวนันพูดติดตลกหยวนเศร้าเหิงมีสีหน้าจริงจังขึ้นมาทันทีพี่จะไม่หาแฟนตลอดช่วงมหาวิทยาลัยพี่จะไม่คบหาใครทั้งนั้นหยวนเศร้าเหฮงลังเลครู่หนึ่งก่อนพูดต่อแล้วเจ้าละ่ะเสวียวนที่คิดว่าตอนนี้เจ้ายังเด็กเกินไปไม่ต้องคิดเรื่องพวกนี้รอให้เจ้าโตกว่านี้ก่อนค่อยว่ากันดีไหมหลีวันแปลกใจที่ได้ยินความใ น, ในคำพูดของเขารอยยิ้มของนางแงข็งค้างไปครู่หนึ่ง พี่ตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดของข้าคือการเรียนให้จบไม่คิดเรื่องหาแฟนหรอกแต่ข้าว่าพี่อายุขนาดนี้ควรจะคิดได้แล้วนะการมีความรักมีแต่จะกระทบต่อการเรียนของพี่พี่จะไม่พิจารณาเรื่องนี้หยวนเซาเหิงมองหลีหวันด้วยสายตาจรงิงจังในอนาคตถ้าเจ้าอยากมีความรักเจ้าต้องบอกพี่ก่อนเข้าใจไหมได้พี่ตั้งใจจะช่วยข้าสแกนคนใช่ไหมข้าเชื่อในสายตาของพี่หยวนเซาเหิงไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น